พระธรรมเทศนาแผ่นที่82ดํารดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปาานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสนแสดงธรรมในวันที่6กกันยายน2 5 5 8มีชื่อเรียกว่ารู้จักพอก็จะ วันนี้เป็นวันพระที่หกกันยายนพุทธศักราชสองพห้ารอยห้าสิบปดวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่าเดือนเก้าวันพระหน้าเนี่ยเป็นวันพระเดือน9ก้าดับนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นวันพระพิเศษของทางอีสานเหนือของพวกเรา เป็นวันที่วันพบพุรุษของพวกเราทาบุญนะวะทาบุญข้าวประดับดินเหมือนกับทางจีนเขาทว่าทำบุญไหว้เจ้าลักษณะอย่างนั้นละ่ะแต่ตามไม่จริงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณ คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนายญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรพวกเราเป็นการทำ บ, บุญที่ยิ่งใหญ่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะนั้นถึงว่าทำบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณการเพราะนั้นพวกเราก็สืบท อ, อดกันมาเพราะนั้นวันเดือนก้าดับเนี่ยถ้าว่าผู้ใดควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติ ของพวกเรานั่นแหละใครอยู่ไหว้ใกล้วัดไหนก็ไปทำบุญวัดนั้นที่ว่าเรารักเคารพนับถือกลูบาจาจย์องค์ไหนเราก็ไปทำบุญวัดนั้นแต่ถึงยังไงไม่ทำเลยไม่น่าจะถูกต้องน่าจะทำเพราะว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับตระ ก, กูลของพวกเรา หรือพ่อแม่ของพวกเราท่านเคยเคยเคยทำมาก่อนแล้วในเมื่อท่านตายเป็นผีหนีเป็นอื่นไปแล้วบางทีท่านตกทุกข์ได้ยากเมื่อท่านพลนวิบากกรรมมาอาจจะไปตกนรกหมกใหม่ไปเป็นเปรตเป็ น, ป น, ป น, ปนสัตว์ที่ไร้ชั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะากรรมการการะทำของท่านนั้นอาจจะไปเป็นยังไงแต่ถึงยังไง พอมาลำลึกถึงวันนี้ท่านอาจจะลึกถึงโอ้สมัยก่อนเราก็ได้ทําบุญข้าวฉากข้าวประดับดินในพรรษาลูกหลานได้ทําบุญอุทิศให้ข้าหรือเปล่าน้อนะเออท่านอาจจะมาเลงมาอยู่ใกล้ญาติ เ, เพื่อรอรับบุญกุศลจากพวกเราแต่พวกเราก็เฉยเฉยเมยเมยไม่ระลึกถึงภู้มีอุปการะคุณของท่านเเลยทั้งที่ที่ไร่ที่นาที่รัรว้วที่สวน ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของเราท่านก็ได้ทุ่มเทเสร้างฐานะให้กับพวกเราไว้ได้อยู่ได้กินได้ใช้แต่พวกเราไม่ระ ล, ลึกถึงบุญคุณเลยเ อ, อันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะกณะนัตถายาตโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าท่านไปที่อื่นไปที่ไหนพวกเราควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาปู่ย่าตายาย ได้วางรากฐานที่ทำมาหาเรียงชีพให้กับพวกเราพวกเรามาถึงจุดนี้ได้รับความสะดวกสบายได้รับมรดกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราก็ควรจะล้ำลึกถึงพระคุณของท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเออมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน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 อันดีงามของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นให้พวกเรายึดถือแนวแถวประเพณีอันดีงามนี่ไว้นะลูกหลานนะทีขั้นทีท่านทีเรานะทีท่านทีเราเอพอถึงที่เราขนะลูกหลานจะได้ลำลึกถึงแต่พวกเรามาถึงจุดนี้แล้วพวกเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นนะนะลูกหลานนะพอลูกเราพวกเราเป็นลูกจิตของหลวงตามหาบัว เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปวุง่งพึ่งหวังพึ่งคนอื่นเนอะพวกเรานอะให้ทําเอาให้สร้างเอาดีหรือชั่วรู้ไหมชั่วอย่าไปสร้างให้สร้างแต่คุณงามความดีในเมื่อสร้างคุณงามความดีแล้วมันจะไปไหนมันก็เข้ามาสู่จิตใจของเราเนี่แหละเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราตายไปแล้วจะให้คนอื่นทําบุญให้เรานะจะไปหวัง ถ้าวังอย่างงั้นอบางทีเขาอาจจะไม่ละเลิก ถ, ถึงเราก็าได้เพราะนั้นเราจะเป็นหวังพึ่งเขานะ เ, เราเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนรู้จักดีรู้จักจักชั่วให้เราประพฤติปฏิบัติเดินตักตวงเอาเอบําเพ็ญกุศลเอาเข้าสู่จิตใจพอทําเต็มที่แล้วเออ สุดความสามารถของข้าละข้าได้ทำเต็มสุดความสามารถของเราแล้วลูกหลานเอ้ยไม่ต้องทำให้ข้าหรอกเนาะเพราะข้าเดี่ยทำเอาเต็มที่แล้วขณะยังข้ายังมีชีวิตอยู่พวกลูกหลานจะทำก่าสุดแท้แต่แต่ไม่ต้องทำให้ข้าก็ได้หรือจะทำก็ไดอข้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรหรอกนะทรัพย์สมบัติของข้ามีเท่านี้ตอนนี้เอาแบ่งกันเนาะลูกหลานเนาะอ ข้าเอาตัวนี้แหละไปล้วนั่นแหละอันนี้แปลว่าเราพอตัวฮะเราไม่ได้มุ่งหวังไข่เราไม่ได้มุ่งหวังให้ใข่ทําบุญให้กับเราเราสร้างเอาใส่หัวจิตหัวใจของเรารอพอฮะนี่แหละอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเนอคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทศไทยญาติโยมพวกเราได้มาศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าแล้วไปต้อง หวังไข่ไม่ต้องหวังพึ่งไข่ไม่ต้องหวังพึ่งลูกพึ่งหลานเอขนาดเขาเราจังมีชีวิตเขายังมีชีวิตอยู่เราหวังพึ่งเขาอะไรอย่างนั้นตกตกหลนหล่นล้มลุ่ ม, ม, มดอนดอนคุ้มดีคุ้มร้ายเผอเผลอยังกะนะกะแนะกะแหนะกร ะ, นะะแทกแดกดันให้กับพวกเราอีกในเมื่อเราตายเป็นผีหนีเป็นอึดไปแล้วนะ่ะเอมันจะเป็นรูปลักษณะไหนเออ เวลาทําก็ทําแบบชังกับตายแบบชังที่ทําไม่เชื่ออีกต่างหากเขาพาทํากับทําไปอย่างนั้นแหละผลในสุดเราจะไปมุ่งไปหวังกับคนที่ไม่มีน้ำจิตน้ำใจคนที่ไม่มีแกจิตแกใจลูกหลานที่ไม่มีแกจิตแกใจของเราเราจะไม่ไปหวังพึ่งเขาขนาดนั้นเชี่ยเหรอสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเรามีจตุปัจจัยมาเท่าไรเราถวายทานมาหมดไม่ใช่เราก็เผือกไว้กินไว้ใช้ เ, เก็บไว้อแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าทําทานอย่างเดียวหลวงพ่อเคยแนะนําบอกกล่าวรักษาศีลก็ใช่อย่างพวกเรามารักษาศีลก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้เสียจตุปัจจัยอะไรมานั่งภาวนามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีพอกพูนในจิต ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบละความเชื่อมั่นในตนเองความมั่นใจในตัวเองเอความหวังในจิตใจของเรามันก็พอกพูน อ, อยู่ในจิตในใจของเราไม่ใช่เหร อ, อพวกเราได้ทามาแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอนุตตธาญาตโยม ทุกคนให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นตายแล้วไม่สูกต่างหากตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงพวกเราอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นพวกเราให้มุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็ได้รับแขกตั้งแต่เมื่อเช้าเป็นวันพระ แล้วก็ตอนบ่ายวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาวเมืองอุดรเขามาจงเกือบ5้าร้อยคนนะลูกหลานนะที่ศาลานอกหลวงพ่อก็ได้ไปพูดไปแสดงธรรมอากาศร้อนอีกต่างหากกบอ้าวนะมันเหนื่อยแล้วกันหลังของหลวงพ่อเนี่ย ก, ก็ไม่ถึงกับเป็นภาระปัญหาอะไรต่อแต่มันก็นั่งมากมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะ <c oughs> ได้พันเสื้อกเกาะเอาไว้เหมือนกัน <c oughs> พันเสือ้อเกาะกันเอวเอาไว้อืมแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทุกได้ร้อนกับมันหรอกใช้ไปใช้ไปน่ะถึงคราวมันหมดแล้วเหรอก็หมดะจะทํายังไงได้เกิดแก่เจ็บตายเอหตวงพ่อก็พูดทุกวี่ทุกวันเทศกันไหนที่ไม่ได้พูดถึงความตายมีไหมพูดถึงทุกครั้งทุกข่าวเพราะนั้น <c oughs> ถึงคราวมันแล้วจะทํำยังไงลูกหลานได้ อเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงยังไงก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะ่ะอใช้ให้มันคุ้มค่าเกิดมาทั้งทีชีวิตอประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบให้สร้างบุญสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วถึง เรือลํานี้ถึงมันจะอับปางมันจะแตกเราก็ยันเรือแล้วกระโดดขึ้นฝั่งแล้วก็จบนะเรือลํานี้มันก็ไปตามสภาพของมันจะทํายังไงได้มันเป็นอยู่อย่างนี้โลกไยร่างกายสังขารสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแกเจ็บตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ล้วนแล้วแต่ละทิ้งสังขารทั้งหมดมีแต่ความบริสุทธิ์ใจของท่านนั่นะเป็นพุท ธ, ธะเป็นพระหันเป็นพระอริยะบุคคลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตยาติษมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถึงอย่างไงจะทุกจนอย่างไงก็ให้ใจของเรามีความสุขเบิกบานอิ่มใจอิ่มใจเบิกบานแต่ข้างนอกเอาเถอะ เ, อเกิดมาพบนชาตินี้มันมันได้เพียงแค่นี้ะน่าจะเพียงพอ ถ้าคนรู้จักพรมันสบายนะอถ้ามีคนไม่รู้จักพอรนะอยากอยากอยากอยากเหมือนกับเปรตเนะี่ยเปรตมันหิวโหวยอพระโมกคาลราไปเห็นเปรตปากปากเท่ารูเข็มมันก็ น, น้อยเกินไปใช่หไหมปากเท่ารูเข็มมันก็ได้ยินเนี่ยมันมีแต่มันบอกว่าอยากอยากอยากออพอโมกคาลาก็ไปเอาบาตรมาตักน้ํามาเทลง ใส่ปากมันไะปากเป็ดไงเออพอเทเทไร้มันก็ไม่เข่ามันมันรูปากมันเล็กใช่ไหมล่ะเออมันกระบนอยู่อยากอยากอยากอยากอย่างนั้นเทเทไร่จนพออิดพออ่อนเหมือนกันเถอะเป็ดก็ยังไม่หิวยังไม่หายหิวเหมือนกันอะนี่แหละอันนี้ท่านบอกว่าเป็ดจำนวนนั้นะมันใช้กรรมในอดีตเอมันกินของที่ไม่ถูกต้องเออแต่ทุกวันนี่ก็โค้งนั่นะ อกินเงินกินท้องกินคอรับชั่นกินอะไรต่ไม่อะไรของเขาเนี่ะที่สิ่งที่ไม่ผิดไม่อยู่ในศีลในธรรมนั่นแหะเออมันก็เลยบาปกรรมตัวนั้นให้ผลก็เลยปากเป็นปากเหมือนกระลูเข็มเล็กๆน่ะเออพระโมกคลาไปเห็นเลยสงสารมันเพราะมันบ่นอยากใช่ไหมอยากอยากอยากอยากมันอยากมันหิวมันโหอยใช่ไหมเออพระโมกคลากเอาบาปไปตักน้ําเทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปเออปากเทลูเข็มก็จะไป เข้าในเท่าไหรใช่ไหมอม้มันก็ยังหิวอยู่งั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายถ้ารู้จักพอนะรู้จักพอนะถึงจะอยากก็จริงอยู่แต่รู้จักพอเอาเถอะเราพยายามสร้างคุณงามความดีพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเจ้าทําการทํางานมาเพียงแค่นี้พบนี้ชาตินี้บา ร, รมีชาตินี้มันก็น่าจะเพียงพอและขนาดนี้ไนงะ ถ้ารู้จักพอใจมันก็สบายเลยใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรื่องปัจจัยสี่แต่ถ้าว่าเราหิวโหยเราอยากอยู่ตลอดลพอเราใช้มากเราใช้มากใช้ลุยชุยแชกไม่รู้จักประมาณตัวถ้าเราใช้มากมันก็ทุกมากเลยเพราะนั้นพวกเราให้รู้จักใ ห, ให้รัดเข็มขัดในการใช้ให้กินให้น้อยใช้ให้น้อยอืมแต่ถึงยังไงก็เนี่ยมาปฏิบัติศีล ป, ปฏิบัติธรรม มาอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยกินมื้อเดียวก็พอแล้วเอ่อพระพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากฮะเราอดอยากไหมเรามาอยู่ตอนเช้าเราอดอยากไหมเนี่ยแหละพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะอันนี้เราต้องรักษากายวาจาใจของเราอย่าให้มันตกไปในทางที่ชั่ว ให้ไปในทางที่ดีนะแล้วก็มีความสุขกายสุขใจนะพี่น้องสัายาติโยมลูกหลานอ่ตอนนี้ไปเปิดเทปฟังนะทีนี้นะ MP3 มพีสานั่งสมาธินะที่นี้นะคนะนะณะสัายาติโยมลูกหลานนะ